กราบขาราชหลวงพ่ อ, อ, พอวุฒธรรมผู้เป็นประธานอก็เริ่มในธรรมกับหยาดกับยมตอนเสาร์วันนี้ก็เป็นตอนเสาร์ ว, วันที่21เดือนกุมภาพันธ์ 2,140 เข้ากระเดมมาบรรจุ หกรอบปลาลบงานประจำปีคิถือว่าเป็นไปเพนนี่ละกระแม่นบัถือว่ากระแมนเพราะว่าเข้ากับเหตุกันมากสู่สู่สำนักที่เป็นสายงานของการเจริญสติยัดมาตลอดแเขาจัดกันขึ้นมากก็เพื่อว่าให้เข้าในมาร่วมตัวกัน กระเพิดปฏิบัติธรรมเพราะว่าเป็นเป็นเป็นโมเป็นคณะอยู่แต่ว่าส ม, มัยครังพุทธกาลก็เป็นคณะอยู่คือกันคณะภาษาลิบุตรคณะพโมคลาณนะคณะภานนะปุณณนะปุณณะมัณฑนิบุตรยังไงเป็นคณะเป็นสำนักก็ยังไงสำนักของพระสัสดา สำนักของพระสารีบุตรสำนักของพระโมคคัลลานะปฏิเป็นกลุมนะก่มเป็นกลุ่มเป็นก่อนนิยมว่าพุทธบริษัทบริษัททั้งซีสลับนะเป็นกลุ่มเป็นหมู่เป็นคณะนิยมว่าพิชุก พ, พิสุนีอุบาสกอุบาสิกาเป็นบริษัทเป็นบริษัทของบุพุทธเจ้าเป็นพุทธบริษัทอ่านต่อไปเข้ากันขึ้นกันตอนน้อ หงายพวงยอมมากกาเป็นพุถุบริษัทขึ้นน่ะก็เป็ น, ป น, ปนกลุ่มเป็นคณะเป็นกลุ่ม ข, ของการเจริญสติห <c oughs> ่วยเสียวหงากแต่ว่าเนี่ยมสอบมันหนาวว่ะเป็นกลุ่มของการเจริญสติก็เป็นกลุ่มของพระพุทธเจ้าก็ว่าไงเขาก็ได้มา ส, สู่สู่หนาวนาะเห็นใจกี่อกสู่มาตอกแต่พูนเป็นเดือนท่านว่าพอน่ะ เดืนท่านว่าปีสามเก่าบางค น, นวัฒนการ บ, บ้านได้นี่มาเรื่อยๆ เ, เพราะว่างานมันต่อกันไม่เรื่อยต่อเนื่องกันมาเรื่อยๆหลุดสภาวะใจสู่เป็นสามเณรใจสิงก็นเลยหว่าเป็นพระใจสิงก็นเลยเข้ามาใจสิงกันว่าเป็นแนวอื่นหรอกหมายถึงว่ามีกิตใจเข้มแข็งกิตใจต่อสู้อดทน ต่อสู้เพราว่าขันตินั่นแหละ ท, ทนต่อสูก็รู้สึกว่าก็่เกิมาถึงว่าละที่ะเ ว, วาลางานปากช่มห่อเกล่ะงงานปากช่มห่ากะเป็นงานสําคัญงานนึงสําหรับในสายงานของห่อก็เพราะว่าเห็นบอ่อเกิดแห่งธรรมะขึ้นกันบอ่อเกิดแห่งการจเจริญสติขึ้นกันก็มีป่ามีภูเขามีน้ำ มีอากาศมีทิวทัศสวยงามบ่อแพรหมองเงนอื่นเหือกันลรอไปดีคนมองอื่นก็นได้งั้ว่าสิว่าบ่ดีก็ได้เอาที่ผู้ชิมมักผู้หมักเจลิตผู้ถูกเกลิตก็ว่ามันดีทิวทัศน์ดีปลาไพ่ก็ดีน้ำกับบ่ขาดเขินอาหารกับบ่ออืดบ่หยากเมียขัวกับขยันเอาใจใส่ตื่นแต่เด็กลุกแต่เช้าทําบุญ แม่ขั่วก็ทำบุญเท่าก็บสั่งกุศลเป็นอยังว่าบุญกุศลเป็นจังว่าลาบเลยหยดหาไปบดไอแน่เลยเหลือต่างแต่ตนทุนบุญกุศลเป็นแบบแม่คั่วเป็นผู้ทำบุญเพิ่นยังได้บุญด้เพิ่นยังได้บุญมันก็ได้บุญแหละการทำบุญทำเมื่อใดก็ได้เมื่อนั้นได้บุญแต่ว่าเฮาเฮ็นนางมัอนเฮามาสั่งกุศล เนเอาคนทำบุญเ่าสร้างกุศลหรือว่าทำกุศลพนันวาก็มีบุญกระหมีกุศลกุศลคือยังบุญคือยังแจะมาถามไม่ได้คนเหาสอบถามเลยหลวงพ่อปฏิทัยพันวาชาวพุทธเอาแต่ไหวสินี่บอกให้ประพฤติทำ ม, มือกำหูไ่อยากมัยินสนส่นะเข้าก็จะให้มันทำนองนั่นมีแต่ถามกบถามถามเพ่นอย่าง ถามหาคนเลยเห็นยังไงเนอาะคนนะอย่ า, ไ, ยาไปถามในเบื้ อ, องเชี่ยครองกันล่ะคน น, น่าเห็นนั่นคือโต้หูน่ะคือบุญโต้หูคือบุญโต้เข้าใจคือโต้กุศลลู่เข้าใจกันนี้ขันมือหูบกว่เป็นบุญแล้วยังหลวงปู่เทียนมันเถิดในเถิดการในยินในฟังโอ้บวกลึกบวจ พืนร่องกายน้องปูเขาสุดับไปแล้วกระซังหายไปแล้วก็ะตานแต่ว่าเสียงเงยั่งอยู่เดิขันอยากตั้งน้องปูเท่นกบวยหยาคอ้มีแต่มีเทีบมีมวนเทียบเปิดโหลดไหนยินอ้อมออมอยู่บุญครืดตัวรู้ท่านนะคันรู้นะเป็นบุญขันเข้าใจเป็นกุศลใช่ไหมใ น, นการประพฤติปฏิบัติธรรมมาคือกันให้รู้ใเข่าใจใช่ไหมมองอะไร ห, หูซื่อเด้ หู้ว่ายกมือหู้ว่าเดินยกมือเข่าเอามือออกสัมผัสหู้ซื่อๆเพราเขาใจก็มีเลยหู้เ่าเขาใจแค่ยังไงหู้ยู่ว่ายย่างวายกว่าเดินว่าเคลื่อนว่ายไวลู่เจ๊หูเมีอายุของเพาเขาใจกันลล่อยู่คือหู้แล้วมันหู้ซื่อๆก็มีดังเสียหู้จิตจืดหู้จังจาๆหู้แล้วมันบ่เพราะก็ตือนรืองหล่นกันี้ หู้ใจร้อยจืดจืดจังๆเฮ็ดแล้วก็ซึ้เชื่อนชาก็โอ้โยู่นงแล้วใสสิ้อผู้หูไม่แต่แมววะยังหูเนาะแมวบอกคาสิงมันควาสมศักดมันก็ยังหูแมวยืนหนึ่งแมวสองตัวหูว่าห่อนหูว่าหนาวมันจำหัวเจของใดใต่แม่หูขักบวกขัดแต่ว่าเขาใจด้วยหรอว่าเขาใจว่าฉลาด พวกเฮามากบําเพิญปฏิบัติธรรมทั้งหลายให้รู้และให้เข้าใจได้ให้มีบุญแล้วมีกุศลกันหูว่าเข้าใจแล้วกันหูลงไปก่อไก่ขอไข่ขอขวดขอค้อยขอคนหูอยู่กอไก่ก็ได้แต่ว่าเข้าใจว่าเข้าใจมากประกอบบ่เป็นศิลปะในการปฏิบัติการบําเพ็ญปฏิบัติธรรมมัต้องมีศิลปะศิลปกรรม กรรมฐ า, านกรรมฐ า, านกรรมฐานนี้กรรมฐานนั่งคือกรรมฐ า, านให้รู้ให้เข้าใจได้นิพพานสาั่งบุญสั่งกุศลผู้หนึ่งได้บุญผู้นึงได้กุศลมาประจบ ก, กันผู้โยบานทำบุญผู้โยวัฒน์กระา่างกุศลกันแล้วเป็นนว่าเฮ็ดบางสิ่งบางอย่างเป็นว่ า, า, า, า, วาถ้ายกเป็นผู้มีศิลเป็นผู้บริสุทธิ์ ทักขนนาท่านบงางอย่างเด้แต่ว่าปติข้าวหกคือผููอยู่วัดรบ่บริสุทธิ์บ่บริสุทธิ์คือยังไงพระเจ้าพระสงฆ์ห้องก็ดีกินแล้วก็นอนบ่ประพฤติปฏิบัติกินแล้วก็นอนนอนฟังเพลงนอนดูโทรทัศน์เส็จแล้วหรอบ่ประพฤติบ่ปฏิบัติบ่ขัดเก้าจีเละนี่พะนะทักขีนาท่านตัวนั้นก็ตกไปสู่แกญญาเจียมงค์คือเก่า ญาณโยมเป็นคนบริสุทธิ์เป็นผู้ให้เดืคมบริสุทธิ์ก็คือพวกเขามากประพฤติปฏิบัติธรรมนี่แหละแม่ครัวาชาวบา้านถวายอาหารบิณฑบาตให้กับผู้ประพฤติปฏิบัติธรรมเพิ่นเหตุเดือคมบริสุทธิเ์เด้เห็ุเดืคมบริสุทธิ์ใจแต่ว่าเขามาัน ม, มากเดือยคมบริสุทธิ์บะมากเพื่อสีชาําระจิตใจเจ้าของบะมากเพื่อสีมากประพฤติปฏิบัติบะ มาเบึงจ้ของวะนี่จะเบิง้งผู้อื่นขันเพ่อออกแตเบิงไว้ออกนั่นติขันไม่ออกแต่ไปเบื้องพ่อออกนั่นติเนี่ยนีย่เป็นบาปเลยตนนัวนี้บาปพะนโกโหกต น, น, กนเดีย่บุญว่ไดะกุศลเลยนั่นแม่ขาว็่าเบิ้องมันข้อขาวว่ามี่เนาะข้อขาว น, านั่นสิัไปเบื่องหลวงพ่อหลวงพี่ น, น, มมนั่นสิทุมันชี้เสียสัดไปเบ้งหลวงพี่ น, นั่นิ ไปเบื้องบนนี่น้อยนันติอย่ามองขามอย่ามองขามพวงเรู้สึกของเจาของอย่ามองขามบุญอย่ามองขามกุศลกันน้องม่องขามซองอย่างมันก็ไปห้ามบาปกันแล้วมองขามบุญมองม่องขามกุศลมันก็ไปสนใจเรียงบาปสนใจผู้นัน้นเป็นยังสัตว์ผู้นี้เป็นยังซี่เสียแ ล, ละไปสนใจเรียงผู้อื่นนั่นแหละพันวาทักทีหน้าท่านต้นนั้นกา ตกไปแก่ผู้ทำผู้มาเ็เล่นสติก็ตื่ว่าบ่ได้บุญบ่ได้กุศลได้อีหยังได้คือเกา่าได้คือเก่าคือบ่ได้เห็ุอีหยังเมื่ตายหยังก็อยู่บานโยสองกระทำเน่าเสียสาระมาแล้วล่าลูกล่าหลานมาแล้วเอามันคัดขัดเห็ุให้มันคัดขัดสู่มันไปลดชีวิตคือการต่อสู่อันบ่สู่มันบ่ได้เลย คันเบอสูมันก็ถอยกันถอยลังกลับกลับข อ, ข, อข้องคือเก่าสู่ทุกสู่เน่าสู่ห่อนสู่หนาวสู่ขีเกียดสู่ขีขั้นสู่คว่ำง่วงเ ง, งาหอนอนกันแล้วล่ะคันเบอสูสิมาใช่ไหนสักนะสิ่งไม่เอาบาปใส่ของเนาะกานทีเป็นเหตุอาหารให้ฉันให้กินให้รับประทานเพ่นกันบว่าไม่มีสิ่งใดด้วย ก็มุ่งหวังให้พอให้แม่ให้ญาติถิ่นทำห้อนี้ได้คว้มสะดวกสบายในการปฏิบัติสันเด้์ไม่น่าอื่นเลยย้าบุญพันได้แล้วแม่คั่ได้แล้วว่ามันทำบุญเด็ดเพิ่งก็ได้บุญพันเน่ะได้คว้มสบายใจมีศรัทธามีการกระตือรือร้นตื่นกระเต้นไม่เศ้ามาเตะห้างด้เหมันเป็นยังไงเหมืนทำหน้าที่วะ หลวงพ่อหลวงที่เข้าก็ดีพระสงฆ์องค์เน้นก็ดีท่านนาทีห้องจะคลองบ่มาชำระจะคลองบ่เห็นจะคลองบ่เห็นคมง่วงค่มสีข้านบ่ขีเกียดบ่สู่มันบ่ทีนี้มอมเป็นถาดของมัน่นาดไหะเข่าใจว่ามันง่วงขนาดนี้เข่าใจบ่หู้ยิ่ได้มันง่วงหู้ศึกยิ่งได้หู้แต่ว่าเข่าใจบ่มีไม่ที่แก้ไขมันยังไรทีนี้มีธีเอามันยังไรยังมันยังสิยู่ แต่นนิพนาใส่ปัญญาต้องใส่ปัญญาต้องใส่อุบายให้มันถูกต้องมาเป็นหูซื่ อ, อหูแล้วต้องเกิดปัญญาหูแล้วต้องหาสิ่งที่มันจะมาสู้กับตัวนี้แหละให้มันได้นี่แหละพนาทักกีน่าท่านตัวนี้เพิ่นว่าขันห้องวเฮดวส่างมันก็ว่าได้เก่นมากแล้วว่าทักกีน่าท่านนี่บางอย่างพนาบริสุดทา่านปฏิฆะหก ปฏิฆาขคือผัวรับรับทักทิ้นน้าท่านมันเราเป็นแต่ว่าหักถ้ายกหรือว่าอุบาทศอุบาสิกาเป็นผู้บริโออย่างไรละเป็นผู้ทูศสินไม่มีสินเอามาให้ปฏิฆาขอคือผัวรับคือพระ เ, เจ้าพระเจ้าประสงค์เมื่อได้กินได้ชั้นแล้วก็เป็นผู้ที่มีสินเป็นผู้ที่ประพฤติปฏิบัติจะของให้มันดีขึ้น เพื่นว่าถ้าคินาท่านตัว น, นังก็เป็นของไฟผู้สีายผู้หลักเพื่นยังว่าในพอบีในเพื่อนยังว่าบ่ได้เห็นบ่ได้สั่งบ่ได้บอกเพื่นก็ บ, บ่ได้ปรับอวบัดใครเจาะปรงค์เฮานี่แหละเพื่นว่าถ้าคินาท่านตัว น, นี้ก็เป็นของปฏิฆาหกขึ้นกันยกตัวอย่างเช่นการทำบุญก็ดีเพื่อนยังว่าได้เงินมาในทางอวบีสุด อาชีพข่ายาม า, าก็ได้อาชีพข่ายาเสตติ์อาชีพข่ายาฟินแต่ว่าเอาสิ่งเงินซุ่มนั่นล่ะเอากําไลซุ่มข่ายาฟินข่ายาม่านั่นแหละมาทําบุญทํากุศลมาสาั่งวัดสั่งศาลาสั่งกริ่นให้วัดแต่วัดแต่ว่า แ, แต่ว่าเงินที่ได้มานเป็นเงินที่ว่าหลอกลวงเขาะเป็นเงินที่ว่าโบดีมันแต่โบดีเส้นไงเป็นเงินที่กดโกง ข, งขงมานั่นล่ละพนา ผู้เอามาใหา้คือท่า ย, ยกนะ่ะเอามาทำบุญภาวนาฟอกเงินมีปัญหาเดียวกันว่าฟอกเงินฟอกเงินหมายถึงว่าเงินที่โบได้มาโดยทางทุติยริตเพื่อสะเอามาให้มันทำทุจิริตนั่นนะ่ะเพื่อนก็ว่าถ้าเทนท่านตรง น, นั่นนะ่ะจังการมาแล้วนะ่ะภาวิสุทสธิ์ทางูพลับคือปฏิฆาหกแต่ว่าบบริสุทธิ์ทางภูที่เอามาใหา้เขาเรียกว่าปล่อยอ่า อ่าทา ย, ยกหรือว่าทายอุบาสกอุบาสิกานั่นแหะนี่พเนาเป็นยัว่าการฟอกเงินไม่เป็นสัจนแลว้วถ้าขิน้าท่านบางอย่างมันตัวนี้รู้สึกว่าเลวที่สุดทา ย, ยกกัุกสินพระยวัดกัทุ ส, สินเพป็นว่าทั้งปฏิฆาหกผู้รับกับทุสินบ่มีสินผู้ให้กับบ่มีสินทักขิน้าท่านตัวนี้พเนะบ่มีอานิสง์บ่มีอานิสงเป็นบาก พระเยวัดเกิเห็นพูดถีว่าบ่มีในบ่มีพามีในเป็นเครื่องยูนห่ะบ่มอย่างไรกับพ่อปันกันนั่นเลยโยมก็ผ่ากับพ่อปันกันเฮ็ดคือกันคือเป็นจังคำนวนอ่ะซุมพานักเทศเทศเสียงมีวนวายฝนในว่าวว่าห้ฟังวนวายพวกอะไรต่บุญเดบงซื้อก็ถือว่าที่มาฟังว่าอะไรอะไรต่อไปบุญเดบงซื้อเพื่อนผูนี้ เตียงเต็ยกหมดถ้าหอนขึ้นมาคือคันไปเทศบัไปเทศเทศเสียงนี่แ่ะเอามีขวดกระทิ้งแดงน่ะขวดกระทิ้งแดงใส่ยามปึ๊บไปก็ก้อนใส่ขึ้นเทศไปกินกระทิ้งแดงกันน่ะแต่วันนี้ขวดกระทิ้งแดงแจ็คมันกระทิ้งแดงเขาบอกระทิ้งแดงเขาูมจัดกินแล้วก็โอ้ยนั่นแหละทางกูมีนั่นนอเลยมีแต่โอ้ยนั่นแหละ โยมก็ต้องปีบต้องห่วงกันเลยเพรี่กระทิงแดงก็แล้วก็นาอีกอินนี้เิ็นกระทิงแดงแต่ว่าจะกระทิงเน่าเลยั้าเกว่ากวดกระทิงแดงกวดน้อยๆนี่แล้วเวลาเวลาบ่บริสุทธิ์ขันบ่ทีนึ่งเป็นภูมเมาเมาเนี่ยก็สร้างเมาในการเล่นก็ถือว่าเมาขึ้นกันมาหาทเมาเหลวเด้่ย สุลามีระยะมัชฌะปมาทะถานาเวลมณีประเด้หาใจเมาเหลอดกี่ขั่นนักก็ว่าเมาเพื่อกันง่วงง่วงหนาวหนานอนมันก็เมาเพื่อกันปมาทะแปลว่าพูดเมามัชฌะปมาทะยุเท่ากันเมาเล่นเมาคุยเมาเบ่งพูอื่นเมาจีเกียดจีข่านมันนี้ถือว่าเมาหมดถือว่าประมาทหมดสัญญาะ นี่แหะ ว, วันอาทิตย์นะท่านยังสิแล้ ว, วันะเป็นทัติอิตยนะท่านที่เรี้ยวที่สุดเพราะว่าบ่มีอานิสงส์ทั้งสองฝ่ายเลยมานอาทักย์นะท่านขอสุดท้ายวันน่ะผู้ให้กับบริสุทธิ์ผู้รับกับบริสุทธิ์ทั้งสองกรรมสองฝ่ายผู้ให้กัมี่สินญาตโยมมี่สินหาผู้รับกับพระเจ้าพระสงฆ์ข้อก็มีศสินมี่สินศีขาสินสมาธิปัญญา ถ้ากินนะท่านขอที่ซีนะพนะมีอานิสงส์ไหลมีผลใหญ่มีอานิสงส์ไหลายแล้วห้าวเสด็จจรงใดมันจะยังสิได้ขอที่ซีพ่มาปฏิบัติขึ้นกันเสดจจริงไดมันสิได้ยังสั้นเมี่ยงั่วกะหวังบุญวังกุศลให้ห้าวสะดวกสบายห้าวกะหวังธรรมะร้อยไงหวังธรรมะหวังธรรมโมห้าวจะิงใดจเข่าใจธรรมะมันกลุ่มกันปะ มันคุ้มคาวอเมื่อจะเป็นนันอ่าอ่าวิปัสนาแท้สั้นหู้แจกบริอ่าวิปัสนาแท้สั้นก็มิจะรูปแบบปเปอร์เส็นเนี่ยเฮ้ยไปวิปัสน า, าสันว่าแต่ ว, ว่าห่างตัววิปัสนาบมโหแจ๊กหน่อยใังไดมเอาไม่ไงโตต้ไม่ตู้วิปัสนาขึาอนยังจักสันดียังกินด้กเป็นภาวะเจ้าว่าใส่สุดขาวอยู่แต่ ว, ว่าคิดใจของเบาขาเได้พาเอาขึ้นกัน ใจ ส, สุดเหลืองจิตใจหงบ่เหลืองใจิตใจเป็นอน่าอื่นสินะล่ละนี่พน้าต้องตรวจสอบดูตัวเองให้มันชัดเจนให้มันชัดต้องไปให้มันแจ้งลงไปให้มันจังบ้างอย่าให้มันคุ้มเครื่องอย่าให้มันมกมุ่นอยู่กับสิ่งที่มันอ้ามันไม่เข้าใจก็รีบเดี๋ยวรีบให้มันเข้าใจอย่าไปถามถามเพียงอย่าง ทำพระทำเจ้าถามนี่ยอย่างกันทำเนี่ยาปฏิบรรัติเพราะว่ากันทำหนาตาดีคือเพราะว่าจมูกดีหน้าตาดีหน้าตาสวยเพราะฉะนนไม่่ห ต, ตัวซิกเพราะนั้งถามยังข้อถามพระอาจารย์เนีมมนม่มั่นปัตตมาหรือผมยังขึ้นจุกหัวยัมันคิดจังไงก็หูกันอยู่แล้วนี่มาถามไงถามมาที่แต่กหนาอินบอ พปรยศีนักบ่บ่นหนักบ่เห้มันกระสืนไม่ถามมันยังสัตย์ยาเฟ่ถามเห็นกระสวยไว้รูไว้เบิงไว้เห็นตัวซิกบุซิกก็ลี้ยงคนต่วไม่ถามมันยังจะก่อกันมากเห็น่ะเสียบพวกเขาเลี้ยงคนนะมันมาเป็นทาได้เบิงัวเขาเลี้ยงเบิงแล้วกเบิงไม่ใจเบิงแล้วก็สวยไว้สีสวยสีงามสี บองงามกวาสร้างมัน่นเธอเป็นกรรมฐา น, อ, นอัตมามองสิว่าอิจฉาได้ผน <c oughs> อิจฉาผลอะไรมั่งมันอิจฉาเด้โอ้โหข้องจริงจะท่อมกันนันแะสีขาวสีดําสีสูงสีตำ่ำสีเตีย้ยจะท่อมกั น, น่ะคนเน่าก็ดีเป็นเปลือกตัวเป็นเปลือกพันยังว่าผู้ยิ่งเป็นข่าวสารผู้ใช้เป็นข่าวเปลือก ก็เวกันข่าสารมาจากเซนติเขาไม่จากข่าเปลือกเขาเปลือกไม่จากไซนติไมาจากข่าสารเอาข่าสารไปทําพันธุ์อดไรวจ้างกับอะไรเอาวัวยิ่งไปทําพันธุ์อะไรเดี๋ยวพีเอาจันนึ่งที่ผู้ชายผีดีเป็นข่าเปลือกเห็ุให้เหตุหน้าก็ยังข่าเปลือกเลยตัวเอาข่าสารในว่าน้องดิดแม่จ่างบับวัวเกิดแต่ว่าหางว่วได้กินข่าเปลือกข่าสารในวันนี้เบื้องมันม่ได้ดีเด้อ ไ ด, ด้กินข้าวสุกได้กินข้าวสุกบม่ได้กินข้าวเปลือกบ่ได้กินขาา้ขาวสันข้าวสุกมาจากไสนน่มาหนีไม่จากข้าวเปลือกหรกืข้าวสันหรือปันีนเนี่ยล้วนยงส่ได้เนี่ยเป็นในว่าเบิ่งเหยมันจะเคลื่อนเขาก็ห้าประพฤติปฏิบัติน่ะมาประพฤติปฏิบัติคลือกั น, าา ก, น, น ก, ก็นบ่าอาจารย์เปลี่ยนมันก็ข้าวเปลือกเปลี่ยนมันก็ข้าวเปลือก มันใโตปฏิบัติเปลี่ยนตั้งก็ขส้สันคือมันเข้อสานมันม่นขาวเลยมันเขามันสะอาดมั่นขาวมันสะอาดบานใโตโตได้มันนีนโตอิม่มโตลู่โตหาใจคือเข่าหนึ่งคือเข่าหนึ่งคือเ ข, ข่าสุกคือเข่าเจ้านี่แน่เหมาะคือเข่าหนึ่งนี่นี่กรติบมันซุกแล้วโตวปัญญาคือโตกลิ่น กินแล้วมันอิม่มมันหายปวดหายเมื่อยหายหิวนั่นแล้วมันตัวนั้นเลยเริ่มมาจากไส่เริ่มมาจากเขาเปลือกเขาเปลือกเขาสารเขาซุกเขาหนึ่งน่ะ อ, อันนั่งเขาใจแล้วโอ้สบายบอกไปถามคนได้แซบบอแซบห่ดต้องถามเดิน ม, มาเข้า่าขาใจไนละ้เขาถามหนึ่งนี่แต่ถามกับถามจักถามหายยัง นั่นแหละพันเนีงว่าให้ปฏิบัติเขาเร่งเขาสู้เขาคันเขาใจแล้วมันโอ้ยคือก็แค่จิ้มเขานะ่ะแสบเบาเสบบาต้องถามฮุกมปปั๊บฮุกมปปั๊บฮุกมั๊มย่างกินเข่าผู้ไดม้มกแสบยผู้ได้มกเฟ็ดมกเข็มบ่ได้ถามกันละเข้มบ่จางบ่เบาบ่อีมแล้วสบายสบายนั่นน่ะเขาไม่ยิงสั่นแต่ว่าเขาเปน็นสัน่นตัวที่สอบถาม ถามนี่การปฏิบัติกรรมว่าหรอกถามเรื่องอารมณ์ที่จะไปถามมาหน้าตาดีหน้าตาสวยนี่มันเป็นยังไงบ้ามันยังปิดในในอยู่มันตัวไปยังมีค่งแอบแฝงเข้าไปอยู่ไม่ต้องไปถามยังกันการถามก็บถามเรื่องปฏิบัติเรื่องอารมณ์ของการปฏิบัติที่จริงอารมณ์ของการปฏิบัตินี่ก็ไม่จําเป็นติดถามก็ได้เด้ ให้มันเกิดเสียก่อนอมันเกิดเสีก่อนที่จะหูคือ ย, ยังนลูกห ม, ลกมาลูกแมวเอเนาะมันมาเกิดเทาจะหูติก็เคยก่อนตัวจะหูจับตัวผู้ตัวแม่ไหมตัวเขาวตัวดับตัวไล่มันเกิดเสีก่อนไน่ให้ยังหูขันมันมาเกิดเท่าจะหูกการปฏิบัติทำขึ้นกันสิทธามันได้ก็อบอกเขาใจดอก ถามน้องไปคุยกันน้องไปคุบอกเข้าใจแต่ว่าใครเข้ามาปฏิบัติเข้าใจเองเด้มันหูโผล่เดียวจ้ะการมาเพิ่อปฏิบัติทำปัจจัตังเวทิตโภวินยูหิอันวินอันวินยชนพึงจะรู้เองเข้าใจเองเห็นเองสิเนีวินยูเบลผู้ลูลูเองเห็นเองเนี่เข้าใจเองเนี่ยเมื่อไหเราคู่กับอาจารย์นั่นหูหายเลยเมื่อไห่เราลงคอลงพีหูหายเลย โห่เจ้าของใจห้องเจ้าของเด้อใจเพลินพระอาจารย์ในว้นของเพลินเด้หน้าตาเพลินกับหน้าตาเพลินเด้อใจอัตมาห์ก็ใจอัตมาห์มันค้นละใจเด้อคนละรูปละห่างละขิงเด้คนละอันแต่หักคือคนละยางแต่หักเดียวกันเด้อค้นละยางแต่หักเดียวกันคือรูคือกันคอาใจคื้อกันแต่ว่าต่างคนกับต่างรู ก็เนี่ยว่าอย่างก่อนขีดซี่ก่อนหน่อยก่อนไงก่อนขีไกล้ก้อนก้อนแขนก้อนแล้วติผู้ตอบคนนั้แม่นดีดีแต่ว่าสิแล้วสิขีไกล้โฟนบอขีไกล้จวกขีไกล้แล้วมันก็แล้วเือกันนะขีใกล้ให้เขาได้หรืะขีไกล้ให้เขานั่นน่ะเพราเนื่องว่าต่างต่างคนละอันแต่ห่างอันเดียวกันแล้วคือยังกล่าวมาได้ว่าขขาวสารเขาเปลือกเขาหนึ่ง แต่อย่างสั้นละ่ะการมาเพืปฏิบัติท่ามองเพื่กกกอกันบางคนก็รู้ไว้อีกจังนึงบางคนก็มักเดิดนย่ำก้มบางคนก็มักสร้างจังหวะเป็นนั้นก็บางคนก็นเดินย่ำก้มได้ได้โดนในนั้นบางคนก็เดินย่ำก้มบริหน้านังฝันจังหวะได้ดีเป็นแบบจุดมุ่งหมายก็คือควบข่อใจคือการเจริญสติขึ้นกันนั่นแหละ ฉะนั้นเหตุจังเลยกระตั้มทำจังไลยกระสังคันเขา้าคันรู้แล้วเข้าใจนั่นนะพระนวีปัสนาสมัยหนึ่งสมัยใดกระตั้มเพื่อเดีไปปฏิบัติโบคือสมัยนี้เลยสมัยนี้มันด่าดเดินด่าดเดินยังไงเว้ยที่ดาดเดินไปข้อมสบายสะดวกสบายกินก็บสบาย นอนก็นสบายไม่เดินการฟั้งเทปก็สบายมันสบายมันสับะยะได้นี่ว่าว่าไงวันว่าลาบากว่าลาบากคือสมัยต่างตีกี้ต่างตีกี้ลําบากไร้ลายการปมาฝึกปฏิบัติทําไฟฟา้กากับบอลลายดอกทั้งสี่สับโบมีไฟฟ้ากสับเป็นตตเตะตะเกียงเดินยมคมเตะเทียนเดินยมขมลาบากการอยู่การชั้น แม้นแทรขึ้นไปหลังผู้โคงคุณสมัยนั่งแต่ลงพอมันท่ามันฟาไปเหตุอยู่หลังผู้โคงอยู่วัดป่าสุขโตสมัยก่อนป่าใหม่มันหลายอดๆอย่างๆมากมากกัตักโพลลซอนน้ำปีกกรโพลซอนไส่ถว่วเข้าเขาปั้นหนึ่งก็ยูได้ยได้มันไม่คนมาเลี้ยงน้ำปนนางสิเด้อบ็ได้กินน้งนม จ่อยจัดกินแต่น้ำน้ำเปลาเปล่าตู้ ม, มือนี่โอ้บริการหลายผลใ น, น, นแต่วัดปลาปากช่วงมอแมงขักแในการสมศักดิ์มันใจปั่มโอวบันตินไปตังไว้ทั้งโอวบันตินทั้งนมทั้งกาแฟกินลงไปพ่าจะอยากซ้ำหนอนมาโอ้ย่างไรเนี่ยเรื่องในวิถีอาหารน้ำก็นหน้าเขาให้กิ น, นัแต่ตอนเย็นทซัดท่าา น, าา น, นเนี่ี่ยงเก่า เมื่อวนวายพลอยเรือไม่เขี่ยด่าผมตอเราตงหัวก้กับสนนนน้นหนาทํานกผ่าเขียดแต่ม่รู้ต้น้นหนานตัวเป็นผ่าเป็นผ่าเราไม่เขียดกันตายทําท่าทา น, นกก็เหมือนมือก็เสง่งทากแกันขอโทษขอไว้ด้วว่าม่ไม่เป็นเรือ่องสนิทเลยเดะการน้ำพอมกับต้มมันมดมือสบายวาะท่าน่ะสบายดีเนาะแต่ไมก่อนหน้อยบมีแล้วบินตาปากได้จ๊เขา ขุนบินทบาทจนถึงหลังเขาผู้คงมาตายสุคโตเป็นเนงสันวีดหลีก็มีคุณบาอาจารย์ที่เพิ่ไปปรเพินงปฏิบัติน้ามัก็เยเห็นนีงสัตนหนาววันหนาวอาบน้าอาบน้ากบอาบน้ากบเป็นยังไงหัวใจวัาเราไม่ออกพอว่ตถุเสบรนเะลยวัตถสิไครนุ่งผานามในกระโตนตาม เขาโรกันมากก็นขั้วใายฝายเสบงนองนดนไปผ่าจวันนงหนดปฐุเบูบอมีการโทจีไข้มันหนาวกินเขาเที่ยงแล้กไว้อาบนาั่งขันคำ ม, มักอาบบริเมันหนาวลาบากกว่านั่นนะี่แะสมัยก่อนที่ว่ามันต่างสมื่นเนี้ยว่าเผาหอมง้ อ, งองมันก็เอาให้ย่ำหนาวเขาสมัยก่อนมีผ่าจีวันเพื่อ น, นึงสนะก็ผ่าสังขาหอมส้นกันปัจมันเนี่ว่า ฝานุ่มมักในทัึงปูนั่นทั้งโฮมอีกสับนิ่มสบายคนแบบกะทิพต่างยังก็นอนนอนกับเทพบดานะ่ะนอนกับเทพบดานเป็นยังไงละเสี่ยวสองเสี่ยวเป็นคนครูหูกันเข้ามาครูหัว ม, มันถืออกถือใจกันว่าวัาี้ก็ถืออกถึอใจกัน แต่ว่าหากควบประพฤติบวกขึ้นกันแต้งไปน้ากันเที่ยวคนหนึงเงหมดเขาวัดเขาว่าฟังเทศฟังธรรมรักษาศีลรักษาศีลหาบริสุทธิ์บัดเที่ยวอีกผู้หนึ่งหมดตรงกันขันเล่ะบอกเขาวัดบอฟังเทศไปหาเจ ต, ตึกสอนห่อนแหย่ไปหาใเตจติขาเขาเบียดไปแห่งลงโขกโอโลงน้าลงโคกเปียดไปแห่งลงห่วยมันขึ้นโคกอ่ พื้นผ้านาไม่เสนอละไปหาทำไรผู้อื่นพ่อดีมันเป็นอนิจจังมันบบเทียงสหายสองสหายเลยมาตายแทนนีน่ตายจากกันเที่ยวพูนรักษาศีลผู้กอวัดสร้างท้ำประฝึตปฏิบัติตายได้เลไปเป็นเทพดากดอยู่ทั้งสวรรค์สวรรค์ยังมองคุณเอามองฝ่ายนยอนยนั่นสวรรค์ พ่อดีเที่ยวพวกน่นันบ่ขอาววัดสร้างถ้ำนี่หาเด็กข้าเขาไปตายไปเป็นปป น, นอนอยู่ในส้วมสมัยก่อนมีไม่ฐานเนาะตอนนั้นฐานฐานข้าขี่ใส่ยังไงฐานจีพระนีะ่แหละมัยก่อนมันบม่มีอานั้า